กลุ่มนายจ้างและเชิดบุตรพากันไต่แอ่งที่ลุ่มซึ่งกลายเป็นปลักคโครนขนาดใหญ่นั้นกลับมาที่จอมาคุเทศอีกครั้งโดยเร็วทุกคนยังอยู่ในสภาพที่ยากจะควบคุมความรู้สึกได้แม้แต่คริสตินา่าระพินคุณคุณหมายถึงพวกแมมมอสอย่างงั้นเหรอเบนถามโดยเร็วกระหืดกระหอบ ฐานใหญ่ซ่อนยิ้มสงบเยือกเย็นอยู่ในอาการเดิมไม่รู้สิเบ <B ale. S 2> ผมไม่เคยเห็นแมมมอสมาก่อนเคยเห็นแต่ช้างประเภทที่มีงางอกออกมาจากริมฝีปากล่างแล้วกดงุ้มคว่ำลงแทนที่จะงอกจากริมฝีปากบนแล้วเงยงอนขึ้นผู้ชํานาญทางชีวโบราณก็ เ, เคยบอกผมว่ามันเป็นประเภทไดโนเทเรียม ว่าแต่พวกเราที่มาด้วยกันนี่มีใครเป็นนักโบราณชีวศาสตร์มั่งไหมทุกคนอึ้งไปอีกมองหน้ากันไปมาไม่มีรพินไม่มีใครเป็นเพริออนโตโลจิสในหมู่พวกเราหรอกเบรแล้วก็พอจะมีความรู้ทางธรณีวิทยามั่งเล็กน้อยเท่านั้นนี่คุณพวกเรารู้สึกสับสนไปหมดเลยนะจากรอยที่เห็นอยู่เนี่ย เชื่อว่าคุณนั่นแหละจะต้องรู้ดีที่สุดรู้กับพวกเราทุกคนด้วยนี่แปลว่าพวกมันออกมาจากโดงข้างหน้าที่พวกเรากำลังจะบ่ายหน้าเข้าไปอย่างนั้นเหรอคุณสเตนลี่ถามมาราล่มละลักระพินก้มศีรษะลงนิดหนึ่งครับใช่ครับมันออกมาจากโดงโน่นแหละแสดงให้เห็นว่าในโดงดิบนั้นแรงมาเป็นเวลานานแล้วก็ไม่มีแหล่งน้าเลยพอฝนตกเมื่อใกล้รุ่ง มีน้ำขังอยู่ชายทุ่งเป็นแอ่งกว้างมันก็เลยออกมาเล่นน้ำนิดนี่แปลว่านายเคยพบเห็นมันมาก่อนนะสิคิดเพิ่งจะเอ่อยออกมาเป็นคำแรกใช่แต่ก็ไม่บ่อยนักหรอกแล้วก็ไม่มากไม่ได้ชุกชุมอะไรธรรมชาตินิสัยก็ไม่ดูร้ายเกินไปเพียงแต่ว่าตัวมันใหญ่กว่าช้างตามปกติราวๆสิบเท่าแต่ถ้าไม่จําเป็นจริงๆ เราก็จะไม่พยายามไปเชิญหน้ากับมันเพราะเราจะหมดโอกาสวิ่งหนีมันได้ทันเขาพูดด้วยอารมณ์ขันท่าทางแววตาะตหนกของทุกคนที่มุงแวดล้อมด้วยมันเป็นร่องรอยแห่งความหวังและโชคดีของเราในหลายๆด้านนี่แหละครับผมดีใจนะที่เห็นรอยเท้าของสัตว์โบราณประเภทนี้ฮะนายว่างไงนะ เห็นในช้างยักษ์ร้อยตีนใหญ่ยังกตองบินเลียดขนาดนี้นายกลับบอกว่าพวกเรากำลังโชคดีงั้นเหรอคิดโบยลั่นออกมาแล้วเอะไรเฟิ่นจุด4 5 8ทั้งกระ บ, บอกวางเทียบวัดตรงไปตรงกลางจากฐานไยจนถึงปลายปากลำกล้องมันยังสั้นกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของรอยเท้าที่ปรากฏอยู่สิใช่ครับโชคดีมากอย่างน้อยก็ ข้อที่หนึ่งเราพ้นรัศมีนิทรานครออกมาได้แน่นอนแล้วข้อที่สองเรากําลังจะเดินผ่านดินแดนที่มนุษย์น้อยคนนักจะเคยได้ผ่านพบไม่ว่าตายแล้วเกิดใหม่ ก, กี่ชาติอันหมายถึงว่าเราได้มุ่งมาถูกทางแล้วดูลักษณะหินแต่ละก้อนครับลักษณะของพืชพันธุ์ที่ขึ้นในเห็นอยู่นี่ทนายมีความรู้ในเรื่องโบราณชีวศาสตร์และซากดึกดาบัน นายจะรู้สึกตัวได้นบบัดนี้แล้วว่าเราออกมาพ้นนอกโลกของภูมิศาสตร์ยุคปัจจุบันแล้วอย่างเด็ดขาดไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันอีกคําพูดของเขาทําให้ทุกคนต้องเหลียวพิจารณาไปรอบๆตัวอีกครั้งด้วยความรู้สึกอันบอกไม่ถุกเบนสกิจให้คริสติน่ามองไปที่ต้นปาล์มและโปรงที่ขึ้นแวดล้อมอยู่รอบตัวอันมีลักษณะสวยงามอย่างประหลาดไปกว่าที่เคยพบเห็น รวมทั้งพันไม้ประเภทเครือเถาที่เกาะเกี่ยวห้อยระยะและออกดอกสีสันฉูดฉาดตาราวกจิตรกรมาแต้มลวดลายไว้ด้วยผู้กันเชิดวุฒอุทานออกมาคำหนึ่งเบาๆเมื่อมองเห็นมแมลงปอสีแสดตัวหนึ่งเกาะอยู่ตรงปลายยอดตรงเตี้ยๆไม่ห่างจากที่เขายืนเท่าใดนักปีกเหมือนทำด้วยผ้าแพรของมันยาวแผ่ออกไปข้างลับฟุต กว่าบัดนี้ฝ่ายของนายจ้างทุกคนเริ่มจะรู้สึกตนได้อย่างแน่ชัดแล้วว่าสภาพภูมิประเทศแวดล้อมมันผิดแพกไปจากป่าที่พวกตนผ่านกันมาแล้วจนหมดสิ้นไม่ว่าจะเป็นลักษณะของพืชพันธุ์ร่องรอยของสัตว์พื้นดินหรือลักษณะก้อนหินประดุษว่าได้หลุดพ้นออกมาจากโลกแห่งปัจจุบันกการแล้วโดยสิ้นเชิง และอย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวล่วงหน้าบรรยากาศรอบด้านมันอ้างว้างวิเวกยังไงก็สุดที่จะพัฒ น, นาออกมาได้ในความรู้สึกของแต่ละคนอย่างนี้เมื่อต่างเพ่งตาจับไปยังมรคุเทศนำทางผู้ยิ่งยงทั้งหมดเห็นเขายืนสงบนิ่งอยู่ขณะจิตหนึ่งโดยยังไม่เอ่ยอันใดออกมาทั้งสิน้นพินิษฐ์ดูอยู่ที่ต้นปรงดึกดำบัน และพืชลักษณะประหลาดที่ขึ้นแวดล้อมอยู่รอบกายใกล้ๆตัวตลอดจนรอยเท้าสัตว์ขนาดยักษ์ใหญ่ที่เขานำมาให้พบเห็นซึ่งภายหลังจากขึ้นจากปลักโครนที่พวกมันลงไปแช่เล่นแล้ว <c oughs> ก็พากันเดินกลับเข้าไปสู่ดงที่เห็นเป็นทิวอยู่เบื้องหน้าอันเป็นคนละด้านกับที่เขาได้สั่งให้พวกลูกหาบเดินล่วงหน้าไปก่อนโดยเป็นที่เชื่อแน่ได้ วาขบวนลูกหาบเหล่านั้นคงจะยังไม่สําเนียกซึ่งร่องรอยของเจ้าสัตว์มหฮือมาชุดนี้เพราะถูกสั่งให้เดินแยกไปคนละได้เขาผู้นั้นไม่มีวี่แววใดๆที่จะให้จับสังเกตตรวจพบได้ว่ามีความวิตกกังวลวันไหวแ่พนพึงใจแม้แต่น้อยนิดตรงกันข้ามคาวหน้าและประกายตากลับเต็มไปด้วยความพึงพอใจและสมหวัง พึมพำออกมาเหมือนจะกล่าวกับตนเองเราเริ่มเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องแล้วขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ได้เปิดเส้นทางนี้ให้อีกครั้งระพินเสียงแผวเหมือนกระสิบของอเมริกันอาวุโสดังขึ้นผมและพวกเราทุกคนมีความรู้สึกที่บอกไม่ถูกนะคุณเราเดินป่าเปลี่ยว กันดานและป่าอันเต็มไปด้วยสารพัดอันตรายมาโดยตลอดแต่ไม่เคยมีความรู้สึกประหลาดเหมือนสภาพป่าที่เรายืนกันอยู่เลยมันมันมันเหมือนกับว่าสแตนลีขาดหางเสียงไปกลืนหายลงไปในลําคอเพียงแค่นั้นผมก็อยากทราบเหมือนกันว่าพวกคุณมีความรู้สึกยังไงในขณะนี้ ครานใหญ่ย้อนถามกลับมาสภาพหินดินแล้วก็พืชตลอดจนลักษณะภูมิประเทศมันเหมือนกับภาพวาดของโลกย้อนหลังไปไม่ต่ำกว่า200ล้านปีอย่างนั้นแหละระพินผู้ตอบคาถามของเขาคืออิซาเบลผู้ตกอยู่ในอาการสถานเยือกยังไงพิกล ผมเชื่อแล้วเบนว่าคุณเป็นนักธรณีวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิที่สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้ใช่ละครับเราทุกคนกําลังเหยียบย่างเข้าสู่โลกในยุคอดีตการแล้วซึ่งผมไม่คิดว่าผมจะสามารถนําพวกคุณเข้ามาถึงได้เป็นครั้งที่สองภายหลังจากที่ได้นําคณะนายจ้างคณะก่อนผ่านพบมาแล้วครั้งหนึ่งผมยินดีมากครับ ที่ผมทำได้สําเร็จมันหมายถึงความสําเร็จในงานที่พวกคุณต้องการอันจะติดตามมาเป็นลําดับด้วยครับบัดนี้พยับแดดดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปจากความสว่างจ้าของตะวันใกล้เที่ยงมันดูคลื้มสลัวยังไงพีก่กนระพินเลิกแขนเสื้อขึ้นดูนาฬิกาแล้วเงยหน้าขึ้นไปยังท้องฟ้าเบื้องบน อันทำให้ทุกคนต้องมองตามเบื้องนาภาพากาศหมู่เมฆ ก, ก้อนนาทึบดูจะล้ลอยตัวเรี่ยต่ำเป็นกลุ่มก้อนลักษณะต่างๆเหมือนกับว่าท้องฟ้าจะเป็นเพดานคลุมอยู่ไม่สูงขึ้นไปนักบางตัวบางดวงตะวันไว้หมดสิ่งคงปล่อยให้ลำแสงสาดลอดกรีบเมฆสีเทากระจายแผ่ออกไปเป็นแฉก ของรังสีราวฉากวาดโดยจินตนาการอันลึกลับของจิตรกรผู้เต็มไปด้วยศิลปะแบบแอฟริกันและบางส่วนของเมฆเหล่านั้นมีอาการหมุนวนเคลื่อนตัวเปลี่ยนแปลงสันฐานไปอย่างรวดเร็วเหมือนกลุ่มแก๊สจากหมอกเพลิงท้องฟ้าสวยแต่น่ากลัวเหลือเกินเหมือนเรากำลังอยู่ในยานอวากาศ ที่ทยานผ่านไปในกลุ่มกาแล็กซี่อย่างนั้นแหละคริสติน่าอุทานออกมาอย่างตื่นตะลึงเฮ้ยบรรยากาศตลอดจนพื้นภูมิภาคมันผันแปรไปอย่างอัศจรรย์แล้วว่ะนี่นี่พวกเราจะมีโอกาสกลับออกไปสู่โลกภายนอกได้หรือเปล่านี่กระพินคิดร้องขึ้นมาอีกคนหนึ่งในขณะที่เชิดบุตรนั้นยืนพิจารณาดูทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยอาการสงบสติอารมณ์มั่นพระเจ้าเปิดทางให้ครับพระเจ้าเปิดทางเข้าให้เราแต่จะเปิดทางให้ผ่านออกหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ความการุณาของพระองค์เอาละครับต่อไปนี้ผมขอให้พวกเราทุกคนถวายสัจจะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือธรรมชาติ เพื่อสวัสดีภาพของพวกเราทั้งหมดทุกคนจะเต็มใจให้สัจจะและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดได้ไหมครับสัจจะอะไรระพินหัวหน้าคณะและกลุ่มอเมริกันทุกคนถามขึ้นแทบจะเป็นเสียงเดียวกันครับสิ่งที่ผมขอเป็นสัจจะจะถือปฏิบัติตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็คือหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายระหว่างพวกคุณฝ่ายหนึ่งและพวกผมอีกฝ่ายหนึ่งเราจะไม่มีวันคิดคดทรยศหักหลังซึ่งกันและกันเลยไม่ว่างานที่เรามุ่งไปทำร่วมกันจะสำเร็จลงเพียงใดแค่ไหนหรือไม่ ต่อหน้าท้องฟ้าที่เราเห็นในลักษณะปรากฏการณ์ประหลาดนี้พวกผมทุกคนขอให้สัจจะข้อนี้แก่ฝ่ายคุณระพินสเตลีกล่าวหนักแน่นชัดเจนโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดใดๆทั้งสิน้นคิดอิซาเบลและคริสตินา่ายกมือขึ้นในระดับไหลในท่าปฏิญาณ ข้อที่สองในเส้นทางข้างหน้าต่อไปนี้พวกคุณทุกคนจะต้องไม่เกิดความล้ำโมกต่อสิ่งที่ได้พบเห็นตามธรรมชาติตามพื้นภูมิภาคทางผ่านไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหรือสรร พ, พสิ่งใดที่มีค่าจะต้องไม่แตะต้องหยิบฉวยติดตัวมาเป็นสมบัติแม้แต่ชิ้นเดียว ไม่ว่าจะนำติดตัวไปเพื่อเป็นที่ระลึกหรือเพื่อนำกลับไปเพื่อพิสูจน์ตรวจสอบใดๆทุกประการยกเว้นสมบัติของพวกคุณกันเองที่เรากำลังค้นหาอยู่เราขอปฏิญาในเงื่อนไขขอร้องของคุณในข้อนี้อย่างเคร่งครัดที่สุดระพินครับข้อที่สาไม่ว่าสัตว์หรือพืช หรือกึ่งสัตว์กึ่งพืชชนิดใดก็ตามที่ผ่านพบถ้าไม่ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ว่าเป็นการป้องกันชีวิตหรือประทังชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆแล้วเราจะไม่ทำลายอย่างเด็ดขาดตกลงระพินข้อนี้เราก็ให้สัญญาดีมากครับแล้วผมขอเรียนให้ทุกคนทราบเสเดี๋ยวนี้เลยครับว่า ในดินแดนที่พวกคุณโชคดีผมต้องขอเรียกว่าโชคดีนะครับที่มีโอกาสล่วงล้ำเข้ามาถึงนี่สัตว์อีกหลายๆชนิดนี่เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่พวกคุณจะคิดว่ามีหลงเหลืออยู่ในพิภพโลกมันมีทั้งอันตรายและไม่อันตรายเราจะใช้วิธีหลีกหลบมากกว่าการเผชิญหน้าเว้นแต่จะหลีกไม่ได้และก็จําเป็นจริงๆ เราก็จะป้องกันตัวเฉพาะเท่าที่จําเป็นนี่ผู้เตือนไว้ก่อนเท่านั้นนะครับเราอาจจะพบหรืออาจจะไม่พบมันเลยก็ได้แต่สําหรับทางด้านผมจะพยายามที่สุดที่จะไม่ให้พบกษัตริย์ในยุคโลกล้านปีเหล่านี้ซึ่งผมก็ไม่อาจจะยืนยันได้ว่ามันเป็นสัตว์โลกที่มีอยู่จริงหรือเกิดขึ้นด้วยอาถรรพ์ของโลกพิษดารในส่วนนี้และเมื่อพบเห็น ก็ขอให้เข้าใจกันไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะครับว่าจะต้องไม่มีคำถามให้มากความจะต้องไม่หาบทพิสูจน์ให้เสียเวลาปวดสมองเอาเฉพาะว่าให้ผ่านพ้นจากมันไปให้ได้เท่านั้นเป็นพอเข้าใจที่ผมพูดนไหมครับเข้าใจพวกเราเข้าใจครับทุกคนก้มศรีรษะรับตอบเป็นเสียงเดียวกันโดยไม่ต้องนัดนะ ที่อย่างนั้นก็ได้เวลาแล้วครับพวกเราตามพวกนั้นไปได้เดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ขอความกรุณาเงียบๆงียนะครับอย่าบอกให้คนของฝ่ายผมทราบว่าเราได้มาพบรอยอะไรเข้ากล่าวจบเขาก็พยักหน้าแล้วโอบไหล่เชิดบุตรนำออกเดินออกจากบริเวณป่าโปรงเหมือนปลักแห่งนั้นแกะรอยตามหลังพวกพรานพื้นเมืองและลูกหาด ที่สั่งให้ล่วงหน้าไปก่อนทันทีกลุ่มนายจ้างเมริกันก็เคลื่อนไหวตามไปติดติคงไม่ต้องเตือนว่าให้ระวังตัวยิ่งกว่าเดิมและหมั่นสวดมนต์ภาวนาระลึกถึงพระพุทธคุณเข้าไว้ตลอดเวลานะครับคุณวุตรระพินกระซิบกรบบุตรชายท่านนายพลพี่ผมไม่ยันแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นนะครับ เมื่ อ, อยังมีพี่เป็นคนนำทางอยู่แบบนี้เชิดวุฒกระซิบตอบด้วยจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่และเด็ดเดี่ยวยิ่งชั่วไม่เกินสิบห้านาทีระพินกับคณะนายจ้างก็เดินตามหลังคณะลูกหาบ ก, กับพรานพื้นเมืองนาทานันในขณะที่คนพวกนั้นกําลังจะย่างเข้าสู่ชายดงทึบโดยยังเลี่ยงเดินขนานขอบดง เพื่อทวงเวลารอคำสั่งเขาอยู่ว่าจะให้ตัดเข้าบริเวณส่วนไหนจันเกิดเซยคุมขบวนลูกหางพวกนั้นไปส่วนรพินและฝ่ายนายจ้างซึ่งไม่ยอมทิ้งห่างพรานใหญ่ตามมาทันบุญคำซึ่งยืนรออยู่ที่ใต้ต้นปาล์มใหญ่อุดมไปด้วยซากไม้เก่าแก่ดำเมี่ยมที่ล้มระเกะระกะอยู่ลำพังคนเดียว ในมือถือกล้องสองทางไกลของเขาที่มอบไว้ให้กำลังส่องดูอะไรอย่างระมัดระวังทานชายดงด้านตะวันออกซึ่งขึ้นหนานแน่นไปด้วยหมู่ไม้ลักษณะของแกคงจะมาตั้งหลักอยู่ที่นี่นานแล้วสังเกตดูพวกลูกหาบทั้งหมดที่เดินพละห่างกันออกไปไกลจากตาแหน่งที่แกยืนอยู่พอสมควรเมื่อพินก้าวเข้ามาถึงแกก็ลดกล้อง แต่ตาแปล่าก็ยังจับจ้องไปทางด้านนั้นด้วยสีหน้าไม่เป็นสุขนักมีอะไรผิดปกติเหรอบุญคำกระพินถามฉวยกล้องมาจากมือแกแล้วยกขึ้นซองไปทางนั้นระหว่างที่ยังปรับเลนให้เข้ากระสายตาบุญคาก็บอกมาเสียงต่ำๆว่ากล้องนายมันหลอกตาบุญคำมอเปล่าก็ไม่รู้สินะดูอยู่พักใหญ่แล้ว ปลวกใต้ต้นไม้ริม ร, มริมน้นบุ้งคาว่ารูปร่างมันผิดก้นอยู่น่ะนายรพินปรับเลนกล้องเข้ากระสายตาแล้วจ้องนี่ระยะห่างออกไปประมาณหกรอยเมตรลักษณะเหมือนก้อนหินหรือจอมปลวกจริงๆนั่นแหละที่โผล่อยู่ใต้ร่มของไม้ใหญ่สายตาเปล่าจะมองไม่เห็นเลย ถ้าไม่ใช่เพราะเลนย่นระยะแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังไกลเกินไปอยู่ดีนั่นแหละเพราะกำลังขยายเพียงเจ็ดเท่าระพินสองจับอยู่อึดใจใหญ่ด้วยอาการพินิษเสียงบุญคำบอกมาเบาๆอีกว่าเป็นไงนายมันเหมือนช้างนะแต่ตัวมันเหมือนช้างที่เคยไล่เหยียบไอสางปลาในครั้งกระโน้น คือตัวมันโตกว่าช้างธรรมดาสักสิบเท่าไม่รู้จะใช่หรือเปล่าพระบุญคาก็ตั้งหลักดูอยู่นานแล้วแต่ไม่เห็นมันกระดูกกระดิกกันเลยอะไรชนิดหนึ่งที่เหมือนกระจอมปลวกตามที่เป็นจุดสนใจของตาเท่าบุญคำขนาดนี้น่าจะเป็นก้อนหินหรือจอมปลวกจริงๆนั่นแหละถ้าไม่ใช่เพราะเลนในกล้องบังเอิญเห็นส่วนที่ควรจะเป็นใบหู แกว่งกระดิกโบกกวาดครั้งหนึ่งต่อมาก็ชูงวงขึ้นสูงร่อนไปมาช้าๆคำนวณจากลำต้นของต้นไม้ใหญ่ที่มันยืนอยู่แม้จะระยะไกลขนาดเกินกว่าครึ่งกิโลเมตรเขาก็กกได้โดยไม่ยากว่าจากพื้นจนถึงสันหลังของมันสูงไม่ต่ำกว่าสิบสองฟุต ห่างออกไปทางซ้ายมือของมันไม่มากนะักอีกตัวหนึ่งยืนยืองไปทางด้านหลังขนาดใกล้เคียงกันพร้อมกับตัวย่อมซึ่งน่าจะเป็นลูกแต่ก็มีขนาดเท่าช้างพลายขนาดตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งทีเดียวทั้งสามอยู่ในอาการสงบกลางดงไม้ที่มีสภาพโปร่งตาพอสมควรและลึกเข้าไปกว่านั้น ในระหว่างลําต้นและพุ่มพงที่กำบังพรางตาอยู่ยังไม่อาจคเนได้ถูกว่าพวกมันจะมีอยู่อีกกี่ตัวถ้าว่าอีสามตัวนี่แน่แน่ที่ลงไปละเลงเล่นอยู่ในปลักคโครนที่เขาเพิ่งจะพบร่องรอยมายุหยุดระหว่างที่ระพินยังส่องกล้องพิจารณาท่าทีของพวกมันอยู่ เชิดวุฒิและอเมริกันทั้งสี่ที่ก้าเข้ามาสมทบด้วยก็ใช้กล้องส่วนตัวตรวจสอบด้วยและไม่นานทั้งกลุ่มก็จับภาพได้ในเวลาไล่เลี่ยกันระพินสแตนลีออกเสียงร้องน้ำเขาหนักๆครับไม่เป็นไรครับดกเตอร์ระยะมันห่างมากผมอยากจะให้พวกคุณเดินตามลูกหาไปก่อนผมจะลองดูท่าทีของมันที่นี่สักครู่ครับ มันมันไดโนเทเรียมจริงๆด้วยตามที่คุณบอกนั่นแหละเบนร้องบอกมาเบาๆอย่างตื่นเต้นในขณะที่คีดเชิดบุตรและคริสติน่ายืนสองกล้องแทบจะไม่หายใจช้างอะไรหวางาดันงอกจากใต้ปากล่างแล้วก็ตัวยังกระพู้เขาแบบนี้อะไรเฟื่อจุดสี่ห้าแปดไม่มีทางหยุดมันได้หรอก เจอตัวจริงเขาแล้วยางไงพันเอกแห่งยอสอมีหลุดปากออกมาแทบจะฟังไม่ได้สักไม่ต้องห่วงแล้วครับไม่เหลือบากว่าแรงอะไรนักหรอกท่านได้เป้าหมายกลางสมองก็คว้มมันลงได้เหมือนกันทำตามที่สั่งดีกว่าพวกนายทั้งหมดตามพวกลูกหาไปฉันก บ, บุญคำจะเฝ้าคุมเชิงตรงนี้ให้ก่อน ไปดิเร็วเข้าอย่าขัดคำสั่งยังเข้าใจกันดีอยู่แล้วสเตลีฉุดแขนเบร์ซึ่งความจริงก็ยังไม่แข็งแรงเต็มที่นะักออกจ้ำพรวดพรวดตามหลังกลุ่มลูกหาไปในทันทีขณะเดียวกันคีดกับคริสติน่าก็เดินเลี่ยงไปตามคำสั่งของเขาก่อนที่จะแยกกันแม่ผมทองส่งระเบิดเพลิงอันมีอนุภาพรุนแรง อย่างที่เคยใช้เมื่อตอนผ จ, จนกระกองทับหมาป่ายัดเยียดให้กับเขาสองลูกบอกมาว่าระพินถ้าคุณมีความจำเป็นโดยหยุดมันไม่ได้ด้วยไรเฟิลและมันพุ่งเข้ามาใกล้ตัวจึงใช้ระเบิดเพลิงพวกนี้เป็นฉากไฟกั้นไว้ไม่ให้มันวิ่งชาร์ตเข้ามาถึงตัวนะครับครับขอบคุณครับคริส แต่ผมจะไม่ทําให้เกิดไฟป่าจากระเบิดมหาวินาศของพวกคุณประเภทนี้หรอกแล้วก็ยังไม่อยากจะทารุณโหดเที่ยมกับมันเกินไปในกรณีที่ถ้าคว้างไปถูกตัวระเบิดบุญชนิดนี้ก็จะเผามันทั้งเป็นโดยไม่มีการดับอย่างทรมานที่สุดซึ่งก็ไม่มีอะไรจะโหดเท่าผมเห็นฤทธิระเบิดประเภทนี้ของพวกคุณมาแล้วมันเหมาะสําหรับพวกฆาตกรเลือดเย็นใช้มากกว่าครับ พิทิณามองหน้าเขาแวบหนึ่งแล้วสั่นหัวอย่างระอาใจจากนั้นก็ออกวิ่งตามหลังพักพวกไปในทันทีโดยไม่พูดอะไรอีกระพินหันมาไล่เชิดวุดอีกคนหนึ่งที่ยังยืนอยู่ใกล้ๆเขานายทหารหนุ่มอิกๆอดอๆอยากจะอยู่ใกล้เขามากกว่าแต่คำขาดของระพินทำให้จำใจต้องปฏิบัติตามคำสั่งบัดนี้นักตแหน่งนั้น จึงเหลือเฉพาะเขากระบุนคําเพียงสองคนเท่านั้นที่ยังยืนกันอยู่ที่เดิมเพื่อรอดูท่าทีของช้างยักษ์ขลุ่มย่อยๆที่เห็นอยู่นั้นว่ามันจะรู้เห็นหรือมีปฏิกิริยาเช่นไรหรือไม่ต่อกลุ่มมนุษย์ตัวจ้อยจ้อยที่เดินเป็นขบวนอยู่กลางที่โลง่งใกล้ดงทึบห่างพวกมันออกไปมากพอสมควรในพวกนั้นรู้ตัวอย่าง ว่ามีเจ้าสามตัวนี่ซุ่มอยู่ตรงโน้นเขาถามบุญคำขึ้นโดยหมายไปถึงเกิดเสยจันและพวกลูกหาดทั้งหลายบุญคำสั่นหัวยังไม่รู้หรอกนายบุญคำไม่ได้บอกเพราะครั้งแรกก็ยังไม่แน่ใจหยุดดด้นดูอยู่คนเดียวรอนายปล่อยพวกมันล่วงหน้าไปก่อนทีนี้เอาไงดีนายระพินยกกล้องขึ้น จับจ้องสังเกตท่าทีของเจ้าช้างยักษ์ขโขลงย่อมย่อมอันน่าจะเป็นลักษณะครอบครัวพ่อแม่และลูกสามตัวนั่นอยู่อืดใจหนึง่งความคิดพุ่งปราดไปถึงมาเรียฮอฟมันใน ท, ทันทีในยุคนั้นที่เขาพอจะรู้ประวัติที่มาเลตระกูลของเจ้าบรรพบุบรุษช้างประเภทนี้ก็เพราะความรู้ทางโบราณชีวศาสตร์ของมาเรียนเองรวมทั้งแผ่นภาพแห่งการประจัญหน้า ก็คลุ้งของมันจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดอันเป็นสัตว์ใหญ่โบราณประเภทแรกก่อนที่เขาจะนำคณะของเชฐดาไปพบกับไอชนิดที่ดูร้ายและใหญ่ยักษ์ขึ้นไปทุกขณะการเดินทางย้อนกลับมาในครั้งนี้ของเขาจะต้องมาพบกับเพศภัยอันตรายแบบเก่าๆอยู่อีกหรือในเมื่อเที่ยวขากลับจากเทือกพระศิวะโดยเอาตัวนายชดประชากรและหนานอิน กลับมาได้นั้นไม่ได้ผ่านสัตว์ในแดนสนธยาเหมือนเที่ยวขาไปเลยแม้แต่ซักตัวเดียวกลุ่มพวกมันยังชูงวงเหมือนจะค้นหากลิ่นอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยระบบคานประสาทที่ดีเยี่ยมแต่ก็ยังไม่ได้มีอากาศกิริยาท่าทีผิดปกติใดๆเมื่อกวาดกล้องไปทางกลุ่มลูกหาบที่พากันเดินท่อมท่อม เรียบชายดงและพวกนายจ้างซึ่งจำอา้าวกวดตามหลังไปก็เห็นระยะเยื้องห่างออกไปมากแล้วแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือพื้นที่เป็นบริเวณที่โลง่งปราศจากมุมบังตาใดๆทั้งสิน้นทั้งห้าคนเดินจากกลุ่มกันไปอย่างเร่งรีบที่สุดแต่ก็ไม่ไวที่จะเลี้ยวกลับมามองที่เขาและบุญคำซึ่งยังปักหลักอยู่หน้าที่นั้นอย่างเป็นห่วง คุณคำเอาอนิ้วชุบน้ําลายในปากจนเปียกแล้วชู ข, ขึ้นเพื่อตรวจหาทางลมไม่ถึงอึดใจแกก็คร้างออกมาว่าตายฮะนายพวกเราที่เดินไปกนนันนน่าจะอยู่เหนือทางลมมันใช่แล้วรวมทั้งเราสองคนนี่ด้วยพรานใหญ่ลดกล้องลงเก็บเข้าเป้หลังทันทีแงมลูกเลื่อนไรเฟิลในมือกระสุนจุดสี่ห้าแปดนัดที่อยู่ในรังเพลิง ยังประจำเข้าที่อยู่ตามเดิมส่วนบุญคำยิ้มออกมาเหมือนลิงชิมแปนซีเมื่อก้มลงมองวินขนาดจุด h ามของแกซึ่งสำหรับสัตว์ในยุคดึกดำบรรประเภทนั้นแล้วมันเปรียบแทบไม่ผิดอะไรกับไม้จิ้มฟันมีวิทยุอยู่ที่จันที่พวกเราเดินนำหน้าไปนู่นมั้งไหมบุญคำระบินถามโดยเร็วบุญคำสั่นหัว และชูวิทยุประจำตัวของแกให้ดูไม่มีนายมียก็ของบุญคำอยู่ในเครื่องเดียวเท่านั้นไอพวกนั้นมีอยู่ที่ไหนล่ะนายในห้างไม่ได้ให้ไว้นี่อไปไปนั้นตามหลังพวกนั้นไปเดี๋ยวนี้ยเชื่อว่าคงไม่มีอะไรหรอกเพราะระยะห่างกันมากต่อให้มันได้กลิน่นมันก็ไม่น่าจะตามหรือไล่หรอกเขาบอกแล้วเหนี่ยวไหลบุญคำให้ออกเดินทันทีโดยก้าวตามหลังพักพวกไป บัตรนี้คณะทั้งหมดจึงแบ่งออกเป็นสามส่วนเขาและบุญคำร่างท้ายสุดเดินในลักษณะคอยจับตาสังเกตดูปฏิกิริยาของช้างโบราณพวกนั้นไปพลางอีกกลุ่มนึงก็คือหัวหน้าคณะอเมริกันคีทเบลและคริสติน่าซึ่งอยู่ตรงกลางและพวกลูกหาบกับพรานพื้นเมืองของเขาอีกสามคนซึ่งพากันเดินไปอย่างปกติ เพราะยังไม่ระแคะระคายอะไรทั้งสิ้นระพินกะบุญคําเร่งฝีเท้าเต็มที่ลักษณะการเดินของเขากระบุญคําเป็นการเดินขวางเส้นทางระหว่างขลุ่ยย่อมย่อมของครอบครัวเจ้าช้างยักษ์อันหมายถึงว่าถ้าหากมันกรสากลิ่นและเกิดจะนึกเฮียนบ่ายหน้าจักชายดงเข้ามาสํารวจกลิ่นแปลกปลอมก็จะต้องมีโอกาสเข้าถึงทางด้านเขาก่อนสําหรับกลุ่มของนายจ้างนั้น เมื่อเห็นทั้งเขาและบุญคังเริ่มเคลื่อนที่ตามหลังมาสตนลีก็วิทยุบอกให้เร่งติดตามมาโดยเร็วส่วนเขาก็บอกกลับไปให้พวกนั้นเร่งติดตามขาบวนลูกหาบไม่คอยห่วงหลังอยู่เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าฝ่ายมนุษย์อยู่เหนือทางลมมันอย่างแน่นอนเพราะเจ้าตัวใหญ่สองตัวเริ่มกางหูพึงออกและชูงวงสองขึ้นไปอีกร่อนทายไปมาอยู่ในอากาศ หันหน้ามาทางชายทุ่งจากนั้นก็หมุนตัวหันรีหันขวางไปช่ไไปเข้าดงไอ้เพื่อนยกอย่าเสือกออกมาเป็นนันคาเชียวเขาส่งกระแสจิตออกไปพร้อมทางภาวนามันจะรับรู้ในคำภาวนาของเขาหรือไม่ไม่ทราบได้แต่บัดนี้พงไม้เบื้องหน้าของมันเริ่มเคลื่อนไหว หากลู่ระเนร้ราวก็ถูกแทร็กเตอร์เหยียบมองเห็นได้อย่างเด่นชัดแล้วเจ้าตัวใหญ่สองตัวก็ปรากฏออกมาให้เห็นถนัดตาตามหลังออกมาด้วยเจ้าตัวเล็กอาการของมันไม่ได้เร่งร้อนอะไรนักเหมือนจะเป็นการโผล่ตัวออกมาสู่ริมทุ่งอย่างธรรมดาแต่ลักษณะที่ยังชูงวงร้อนอยู่นั้นบ่งชัดว่ามันกําลังสูดกลิ่นเพื่อหาความแน่ใจในกะไอกลิ่นแปลกปลอง ระพินมันออกมาแล้วเสียงของหลายต่อหลายคนจากฝ่ายนายจ้างตะโกนก้องประสานกันออกมาจากลําโพงวิทยุในมือเขาภาพที่เห็นทั้งหาคนกําลังอยู่ในภาวะหมุนตัวชุนลมุนกันอยู่กลางทุง่งตัดสินใจไม่ถูกว่าจะแล่นไปสมทบกับฝ่ายพวกลูกหาบหรือว่าจะวิ่งเข้ามาหาเขาหรือจะหยุดปักหลักอยู่กับที่ไปให้เร็วที่สุด ไม่ต้องหยุดเร็วที่สุดไม่ต้องหยุดพรานใหญ่สั่งการเฉียบขาดไปทางวิทยุและตัวเขาเองก็ออกวิ่งสุดฝีเทา้าโดยมีบุญคำคู่ปูเลงปูเลงตามหลังรงเข้าไปหาซากต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งล้มขวางอยู่เบื้องหน้ายึดตําแหน่งลําต้นบริเวณหนึ่งซึ่งบัดนี้เป็นซากสีดาแร่งราวกะทอนหินนอนพังภาพลง หาไรเฟิลในท่านอนเตรียมยิงบา ก, ก็สั่งการทางวิทยุต่อไปเร็วหรืออย่าชักช้าไม่ต้องห่วงทางนี้ถ้ามันบ่ายหน้าเข้ามาจะยิงสกัดไว้ให้อย่ายุดอยู่กับที่ตามให้ทันพวกลูกหาบแล้วเตือนใ้พวกลูกหาบรู้ตัวด้วยทางด้านฝ่ายนายจ้างและเชิดบุตรพากันออกวิ่งในทันทีอย่างสุดฝีเทา้ายามนี้ทุกคนสามารถวิ่งได้รวดเร็ว ทำเวลาดีกว่าสภาพปกติมากนะักแม้แต่เบลเองไม่มีใครหันหลังกลับมามองอีกเสียงเชิดวุะโกนส่งความโวกเวกไปยังพวกพรานพื้นเมืองของระพินและพวกลูกหากคุณเหล่านั้นคงจะได้ยินเสียงจึงพากันหยุดชะงักและหันกลับมาภาพทุกสิ่งทุกอย่างมันฟ้องชัดแล้วว่าอะไรเป็นอะไร พวกลูกหากแต่คือรวนเรยังตกใจอยู่ครู่หนึ่งทิ้งข้าวของที่แบกหามอย่ปรดปืนประจำตัวที่สะพายอยู่กระไลแล้วแต่กระจายกันออกราวกะเพิ่งแตกรงังเพราะมองเห็นภูเขาเคลื่อนที่ซึ่งกำลังดุม ด, ดุงตรงรีเข้ามาแม้จะอยู่ในระยะไกลพวกนั้นก็สามารถคำนวณจากขนาดของมันได้ว่าใหญ่โตมโหูานขนาดไหนซึ่งมันมองดูเหมือนภาพฝันหรือภาพลวงตา สิ่งที่รพินกำหนดหมายไว้ว่าจะให้ทั้งหมดหลบเข้าไปในโดงผิดพลาดไปหมดเพราะไม่อาจติดต่อรู้ความกันได้ในวินาทีฉุกลระหุกเช่นนี้สำหรับเกิดเสย์และจันนั้นด้วยความสำนึกในหน้าที่และจากสิ่งที่เคยปฏิบัติมาแล้วจนเกิดความเคยชินทั้งสามคนแล่นสวนออกมารับหน้าสมทบกักกลุ่มนายจ้างที่แล่นเลิดเข้าไปหาในทันทีกลายเป็นว่า ทั้งกลุ่มทุกคนส่วนใหญ่ขณะ น, นี้กระจายกันอยู่เต็มท้องทุ่งไปหมดกลางที่โลง่งปราศจากที่หลบหลีกกำบังเลยคงมีก็แต่เขาและบุญคำสองคนเท่านั้นที่นอนพาคปืนกระขนไม้ใหญ่จ้องเลงเตรียมพร้อมอยู่บัดนี้ครอบครัวของไอ้ช้างไดโนเริ่มออกวิ่งหยอะหยอแล้ว พร้อมกับแยดเสียงสนั่นกึกก้องออกมาประสานกันสนั่นไปทั้งท้องถิ่ทำัน น, นเสียงแพทแหลของมันก็คือเสียงช้างเราดีๆนี่เองแต่มันดังดังเหมือนกับพานเครื่องขยายเสียงขนาด5 0า0ันวัตต์ออกมาดังชนิดที่ฝ่ายมนุษย์ได้ยินเข้าก็เทพช็อกพากันทำอะไรไม่ถูกไปชั่วกันหนะกระพินสมบท อ, อะไรอองม บักนี้ไรเฟิ้นประทับซอกไหลเขาแล้วค่อยๆกวาดตามการวิ่งเข้าไปยังกลุ่มมนุษย์ที่กำลังยืนกันเกะกะอยู่กลางทุ่งระยะห6 0 0เมตรนั้นจะเป็นระยะไกลสำหรับมนุษย์หรือสัตว์ธรรมดาแต่สำหรับเจ้าตัวขนาดใหญ่ยักษ์และมีช่วงขาที่ยาวเป็นพิเศษตามตัวมันเช่นแม้จะดูเป็นการวิ่งยอะก็จริง แต่มันก็สามารถที่จะนำตัวให้เคลื่อนเข้ามาสู่ป้าหมายได้อย่างรวดเร็วเกินชีวิด้านนายจ้าสไตลีได้สตปกอนใครทั้งสิน้นตะกอนสั่งการลัน่นกระจายกันออกเป็นหน้ากระดานยิงทันทีเพื่อมันเข้ามาในระยะ150เมตรเป็นอย่างใกล้ที่สุดคิดและเชิดบุตรประทับไรเฟิลขนาดหนัก จริงๆมันก็เบาเหลือเกินสำหรับเจ้าช้างดึกดังบันทึนั่นขึ้นมาอย่างลูกเลื่อนขึ้นสปริงเข็มแล้วเพนแย่กันออกไปคนละด้านสเตลลีนั้นยืนปักหลักอยู่ตรงกลางส่วนคริสติน่าและอิสเบลกระชากผ่านท้ายปืน M16 แบบคอมมานโดยาวออกเพื่อใช้ประทับไหลได้และโดยไม่ได้ร้องเตือนอะไรกันเลย ทั้งสองแม่สาวผลักสวิตบังคับ ก, การยิงไปอยู่ในจังหวะฟลูออโ ต, โต้กะยิงรัวออกไปทั้งชุดเลย <Wow. S 1> จันเกิดและเสอือห่อแนบออกไปคนละด้านเพื่อขยายแนวตั้งรับให้กว้างออกไปอีกแต่จะไม่ทำตัวให้ไปบางทางปืนของพรรคพวกคนใดคนของรพินหล่านี้ล้วนมีสปิและช่ำชองในงานปะทะแบบตลุมบอลมาแล้วทั้งสิ เฉพาะพวกลูกหาภายใต้การนำของนายตาบเท่านั้นที่เงอะงะอลมานกันอยู่อย่างหน้าเกรงอันตรายว่าอาจจะทำปืนลั่นมาถูกพักพวกเดียวกันจนจันซึ่งเป็นผู้คุมสถานการณ์ทางด้านหลังสุดร้องสั่งการให้พวกนั้นเพนเอาตัวรอดไปก่อนไม่ต้องคำนึงถึงสัมภาระอะไรทั้งสิน้นโดยให้วิ่งหนีออกไปให้ห่างที่สุดโดยไม่จาเป็นจะต้องเข้ามาร่วมช่วยยิงด้วยเพราะแต่ละคน อย่างเก่งก็แค่ลูกซ้อมแฝดซึ่งมันก็ไร้ผลเต็มอิ่มอุทพภิโตนั้นตกใจจนแทบสิ้นสติวิ่งกันอย่างไม่คิดชีวิตพวกลูกหาดอีกหลายพวกลูกหาทั้งหลายอีกสี่คู่รวมทั้งนายตาับอันเป็นหัวหน้าเกิดมาไม่เคยเห็นช้างตัวใหญ่ขนาดยอดไม้และมีงาลักษณะประหลาดพากันตื่นระหนกตัวสั่นงันงอกไปหมดคุมสติไม่ได้ ไม่เคยมีครั้งใดที่คนเหล่านี้จะได้รับความตกใจกลัวเท่ากับสิ่งที่มองเห็นอยู่ในบัตรนี้ทั้งๆ ท, ที่ต้องต่างผ่านพจนกันมาทุกรูปแบบของอันตรายแล้วและมันก็เป็นครั้งแรกครั้งแรกจริงๆที่รัฟินไทร์วันไม่สามารถจะควบคุมสถานการณ์ของคนใต้ความรับผิดชอบของเขาได้ ประมาณ250เมตรที่พวกมันทั้ง3ามตัวแล่นทานขนไม้ที่รพินก บ, บุญคำนอนผ้าไร้ฝุ่นอยู่โดยพวกมันกำลังปรีตรงเข้าใส่กลุ่มมนุษย์อันบัตรนี้กระจายกันอยู่คนละทิศคนละทางเต็มทุ่งรพินตะโกนร้องบอกบุญคำเสียงหนักๆยิ่ง คุณคำคงว่าปืนยังไม่ได้เป้าหมายทันหนักจอมพรานก็ปล่อยนัดแรกระเบิดเรียงออกไปแล้วก้องกระหึ่มไปทั้งท้องทุ่งและราวป่าเบื้องหลังออกไปเป้าหมายของเขาก็คือไอตัวใหญ่ที่นำล้ำหน้าที่สุดจุดหมายที่ต้องการคือตำแหน่งที่ตั้งของมันสมองซึ่งควรจะเป็นที่กมับที่หันให้ทางปืนหัวกระสุนแล่นเข้ากระทบ เสียงคมปนาตมาได้ยินถนัดทนีมันถูกเข้าตรงไหนไม่ทราบได้แต่ขาทั้งสี่ที่กำลังวิ่งเหยาะๆหยอยู่ทะไลลื่นไปเบื้องหน้าแล้วเป๋เสียหลักไปเล็กน้อยเท่านั้นจังหวะนี้เองจุดสามเจห้าของบุญคำก็โครมออกไปไล่เลี่ย ก, กับเขามันไม่ได้ผลอะไรนัดนัดของบุญคำอะไรของอตัวหนึ่งที่แล่นตามมา แล้วหัวกระสุนคงไม่สามารถจะทะลวงผ่านกระดูกใหญ่ของโคนขาเจาะเข้าไปถึงอวัยวะภายในได้เพราะไอ้ตัวที่แซงมาเป็นตัวที่สองนั้นแล่นพ้นนาหน้าตัวแรกที่ระพินยิงออกไปพร้อมกับแผดเสียงร้องกึกต้องในขณะที่ตัวแรกก็กำลังตั้งหลักเบียงตัวระพินกระชากปอกกระสุนนัดแรกออกไปตั้งแต่มุมคันเปิดสังกรรชยิงไปแล้ว ว่าตบก้านลูกเลื่อนลงเขาก็เล็งอีกครั้งและจำเป็นจะต้องเล็ง ร, ระยะมันห่างไกลพอสมควรทีเดียวเป็นจังหวะที่มันล้าแนวลากล้องปืนเข้าไปทางขวามือแล้วนัดที่สองก็ระเบิดนัดนี้ชอนเข้าหลังกอกหูสังเกตาากได้จากอุปกรณ์ใหญ่โตของมันที่มุดลงไปเบื้องหน้าแล้วก็ตูมที่สาม เข้าหน้าทั้งสองของมันสุดหัวลงไปก็แใจเมันก็ยัดกายขึ้นมาได้อีกส่วนตัวที่สองนั้นแล่นพุ่งเข้าไปหาฝ่ายนายจ้างทั้งหลายเร็วหนึ่งร้อยแปดุดสามคราวนี้เสียงปืนจากฝ่ายนั้นก็ระดมกระหน่ำขึ้นราวกับประทัดวันตรุษ ไม่รู้ว่าใครต่อใครยิงมาจากที่ใดบ้างขวัญปืนพุ่งออกมาจากปากลำกล้องเห็นเป็นจุดอยู่ทั่วทั่วไปที่สามารถแยกประเภทได้ก็คือเสียงรัวทียิปเป็นจังหวะของเอ็มสิบหกสองกระบอกซึ่งแพ่เป็นชุดชุดชุดละสนะี่ห้านัดติดติดกันเรากับว่าโลกสี่ส่วนนั้นจะเกิดภาวะสงครามสู้รบภาพที่เห็นเจ้าตัวที่ราบินยิงไว้เริ่มหมุนตัวควางปัด ไปไปมาพร้อมกับร้องออกมาด้วยอาการเจ็บปวดและโกรธแทนส่วนเจ้าตัวที่พุ่งยิ้วเข้าหาคณะในจา้างคงแล่นตะโพงแทนดินสัะเทือนต่อไปเรากับว่าหากระสุนซึ่งมีทั้งไรเพ่นขนาดใหญ่หลายกระบอกและปืนยิงเร็วหาได้ระคายผิวมันไม่ความจริงพวกนั้นระดมยิงเข้าไปถูกตัวมันทั้งสิ้นแต่ไม่ถูกตำแหน่งที่ตั้งของมันสมองหรือ จ, จุดที่จะลมมันได้เห็นแต่จุดเลือดสีแดง ไหลทะลักออกมาแทบทั่วทั้งตัวเทว่าวก็หยุดความบ้าคลั่งของมันไม่ได้เลยสแตนลีสั่งการตะโกนสั่งการอย่างไรตอนนี้ไม่มีใครฟังออกแล้วเพราะเป็นการยิงแบบศิสระตัวใครตัวมันเชิดวุ้กกระนำ้าไปจนหมดแมกกาซีนแล้วพวักกระสุนออกมาบรรจุใหม่ยอย่างตะลีตาเหลือกขณะที่มันพุ่งใกล้เ ข, ข้ามาอีกประมาณ670บเมตรีกะเลงไปที่หัวอันใหญ่โตแต่ตเป้าเคลื่อนที่ อดตูมาไปเป็นนัดล่าสุดของกระสุนที่บรรจุอยู่ในชุดนั้นมองเห็นแต่เพียงเศษใบหูชิ้นเทา่าฝ่ามือไปอู้กระเด็นแวบในทิดว่าเต้าหมายกลางสีสะไปตั้งร่วมวา่าเพราะความประหม่าตื่นเต้นขณะนั้นคริสติน่าก็วิ่งปราดขึ้นมากระชากไลเชิดวุฒิผู้กำลังบรรจุกระสุนอยู่โดยแรงจนพนหเพราะกับตะโกนกร หลอนเองเสียบแม็กซำรองอันที่2อดขันบังคับลูกเลื่อนให้ไปเข้าที่แล้วหัวจะอไปทั้งชุด30นัดโดยการยิงตั้งแต่ขาส่วนล่างของมันไล่ระขึ้นไปตามส่วนสูงเป็นเวลาเดียวกับที่เบนก็วิ่งออกมาสุดขาขึ้นหน้าขำนาหน้าความลมเพื่อไปให้บางทางปืและเอ็นซิกของตนก็แทนตัวเป็นเส้นยาวเรียกงานทั้ง30นัดเช่น มันเริ่มหมุตัวเอียงถ้าให้แล้วพร้อมกับอาการรกองอ้เสียงยาวกัเงยงสามขาจะพละเปลี่ยนทิศทางและเมื่อ น, นั้นเองที่เกิดเซยและจันก็ต่อเข้าไปตรงบริเวณศีรษะด้วยจุด375เจห้าแทกจะพร้อมๆกันแทนที่จะล้มลงจะช้างยักษ์ที่เจ็บครั้งแรกด้วยลูกปืนของบุญคง เข่าทั้งสี่ลมในขณะที่เลือดพุ่งกระชูดทั้งตัวจนนับรู้แผลไม่ได้เหมือนน้ำพุอีกหลายคนที่กำลังจัดเตรียมประเคนซ้ำเข้าไปก็ต้องหยุดชะงักลงเพราะคิดวิ่งทยานปีเข้าไปหาโดยล้าหน้าทุกคนออกไปในมือของพันเอกแห่ง U.S. Army ในขณะนี้คือระเบิดเพลิงลักษณะเหมือนทานไฟฉายซึ่งกระชากแถบนิรภัยออกไปแล้วเฮ้ยคด อย่าเข้าไปทั้งเชิดบุตรและสตาลีร้องสุดเสียงขึ้นพร้อมกันมันช้าไปซะแล้วหรือมิฉะนั้นคีดก็คงหูอื้อแบบคนเลือดเข้าตาในนั้นวิ่งชาร์จเข้าใส่อันเป็นเวลาเดียวกับที่ช้างยักษ์ที่เลือดส้มตายอยู่นั้นทะยานรวดขึ้นยืนและหมุนตัวเข้าหาด้วยพลังช่วงสุดท้ายของมันคีดคว้างระเบิดสุดแรง ในระยะที่ห่างกันเพียงไม่เกินสามสิบเมตรกำปันนาสะเทือนคลืนขึ้นแบบเดียวกับพี่เคยผจสมกับเป็นมือพีฆาตในสนามรบมาก่อนประกายไฟแดงฉานสว่างจนแสบตาของผู้ที่อยู่ในรัศมีใกล้เคียงมันกระจายเป็นลูกไฟขึ้นที่ต้นขาหน้าของเจ้าไดาโนเทเรียมตัวนั้นแล้วลุกชนสว่างพรื ไปหนังบริเวณส่วนสวงอกตลอดจนสีสากแถบนั้นพร้อมกับตลุงควันเขียวคล้ำเจ้าสัตว์ในตระกูลโคดช้างยำเบาขาหลังลงกระแทกพื้นจนแผ่นดินสะเทือนไม่มีเสียงร้องแม้แต่คำเดียวที่จะหลุดออกมาจากลำคอของมันโดยการถูกเผาสดแบบฉับพลันทุกคนเห็นมันใส่หัวไปมาในอากาศเหมือนจะสะบัดอย่างทุรนทุราย แล้วไม่ถึงอึดใจก็ลม้มตัดแขนขาทั้งสี่สันไหวอยู่ริกๆในขณะที่ประกายไฟลมเลียโชว์ช่วงเปลววุ้นของระเบิดเพลิงมหาปราลัยกระจายไปยังกอหญ้าข้างเคียงและลุกติดเป็นจุดไฟพราวอยู่รอบอาณาบริเวณไปหมดบางส่วนวุวิจะปลิวมาถูกตัวของคิดเองผู้ซึ่งยืนแยกเที่ยวอยู่ไม่ห่าง ไปนะทุกคนไทยฝั่งในทางฝั่งในจา้าบัดนี้ยืงตะลึงดูอยู่ในที่ต่างๆกันยังทำอะไรไม่ถูกรบพินเองขนาดนี้แม้จะอยู่ห่างไกลออกมาก็มองเห็นภาพเหตุการณ์ได้ชัสดสมุนคำโวยลั่นออกมาว่ามอสังโคให้ล่อมันด้วยระเบิดไฟเข้าให้แล้ว พรานใหญ่ไม่มีเวลาที่จะคิดอะไรในขณะนั้นต่อไปทั้งสิน้นเขากำลังตัดสินใจอยู่กับเจ้าตัวที่ถูกสกัดให้งุ้มง่ามปัดเป๋อยู่กลางทุง่งและห่างรัศสมีออกไปจากฝ่ายในจ้างกลุ่มนั้นสาหรับเจ้าตัวย่อมยาอันน่าจะเป็นลูกนั้นพระออกหันหลังวิ่งเปิดแนบไปแล้วก็เหลือแต่ไอตัวที่กาลังเจ็บซึ่งดูเหมือนจะพยายามลากสังขารตามลูกมันไป แต่เชื่องช้าอย่างหมดกำลังนายถ้านายไม่ยิงให้มันทนทรมานไปไอ้ฝรั่งพวกนั้นมันเผาด้วยระเบิดแรงระเบิดเพลิงแน่แน่นายไม่ยิงบุญคำยิงเองลูกน้องมือขวาของเขาพยักหน้าให้ดูแลลุกขึ้นยืนประทับปืนระพินยืนตามในทันทีนั้นแล้วตบลำกล้องไรเฟิลของบุญคำเงยสูงขึ้น มันก็พอดีกับที่เสียงปืนกนระเบิดสนั่นกระสุนนัดนั้นจึงแล่นขึ้นฟ้าไปเอ้านายอ่าปากค้างเพราะถูกขัดขวางโดยไม่รู้ตัวมาก่อนปล่อยมันบุญคำรู้สึกว่าจะเป็นตัวแม่ของไอ้ลูกที่มันวิ่งอ้าวไปโน่นแล้วและตอนนี้มันก็กำลังพยายามจะหนีล้ะเขาพูดเร็วขึ้นมือยังคอยรังไรเฟิลของบุญคำในอาการห้ามอยู่เช่นนั้น ส่วนตาก็จับจ้องไปยังเป้าหมายเบื้องหนะ้าง่ายแต่มันก็ทำท่าจะไปไม่รอดเลยนะถึงไว้ก็ทรมานเปล่าบุญคำร้องมาอีกแต่ระพินสั่นสีสันไม่หรอกบุญคำมันไม่เจ็บมากอะไรนะักอะถ้าปล่อยก็จะรอดชีวิตได้จะแน่ใจว่ากระสุนของฉันทั้งสามนัดไม่ได้เข้าจุดสำคัญที่จะทำให้มันถึงกระพิการหรือไปตายภายหลัง เราจะฆ่าเฉพาะที่จำเป็นที่เลี่ยงไม่ได้เท่านั้นไงไงมันเริ่มวิ่งในเต็มที่อย่างเดิมแล้วกำลังวิ่งตามลูกไปแล้วจริงอย่างที่พ่านใหญ่ว่าเจ้าตัวใหญ่ที่ชาร์จเข้าหาฝ่ายมนุษย์เป็นตัวแรกและน่าจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นตัวเมียบัดนี้ทรงกายได้ถนัดบนขาทั้งสี่แล้วมันกาลังออกแรงตามหลังเจ้าตัวย่อมไปอย่างตะเลิเดเปิดปืง พร้อมกับส่งเสียงร้องไปด้วยแต่เป็นสำเนียงแห่งความตื่นตกใจและเจ็บปวดไม่ได้เป็นเสียงคุกคามอย่างดุร้ายเหมือนแต่แรกอาการที่วิ่งได้อย่างปกติรวดเร็วในสภาพพละหนีของมันมีความคล่องตัวพอที่จะเชื่อได้ในสายตาชำนาญของพรานไพยอย่างระพินและบุญคำว่ามันเพียงแต่บาดเจ็บบ้างเล็กน้อยเท่านั้นจะไม่สาหัสจนถึงกับพิการ หรือไปทุกทรมานภายหลังมากเกินไปนักแล้วก็น่าจะคงชีวิตอยู่ต่อไปได้ระยะที่มันหันหลังกลับแะแล่นหนีตามลูกและตะเิดเข้าดงยังมีไหวพริบในการหลบหนีภัยนั้นห่างจากไในายจ้างอเมริกันที่พากันปักหลักยืนรอคอยอยู่มากพวกนั้นก็มองเห็นอาการของมันอยู่เช่นกันมีเสียงไรเฟิลขนาดใหญ่ ระเบิดิตามไล่หลังทั้งสองตัวอีกห้าหกนัดแต่เนื่องจากระยะไกลและเป้าหมายเคลื่อนที่สุที่ยิงตามหลังมาเหล่านั้นจึงเป็นเพียงแค่การยิงไล่เท่านั้นและชั่วไม่กี่อึดใจต่อมาทั้งสองตัวที่บ่ายหน้าตัดหนีเข้าไปก็หายลับไปจากสายตาเห็นแต่ต้นไม้ไว้ย่อมย่อ ม, อมไหว หรือเฉพาะซากเจ้าตัวเคราะห์ร้ายที่สุดซึ่งบัตรนี้กลายเป็นกองเพลิงอยู่กลางทุ่งด้วยระเบิดไฟของคีดทั้งประกายไฟที่ลุกลามฮือท่วมและทั้งควันลอยคลุ้งไปทั้งทุ่งาใจเขื่อป้ายแขนเสื้อขึ้นเช็ดเหงื่อบนหน้าผากพึพมพำออกมาเฮ้ยไม่น่าเลย ไม่น่าที่มันจะออกไม้พวกนั้นเผาต้องเป็นแบบนี้เวรจริงๆอุตส่าห์ยิงสกัดให้หยุดไว้ก่อนแล้วเชียบุญคำมองหน้าเขาอย่างงงๆนายบุญคำว่านายผิดไปกว่าตะกอนมากนะถ้าเป็นตะกอนนายยิงเรียบไม่เหลือถ้ามันพุ่งก็เล่นงานพวกเราก่อนแบบนี้ กระพินคว้าแขนบุญคำออกเดินเพื่อบ่ายหน้าไปสมทบกับฝ่ายนายจ้างและพวกลูกหาบทั้งหลายที่ยังอยู่ในสภาพตื่นเต้นชุนลมุนกันอยู่กลางทุ่งตำแหน่งใกล้เคียงกับที่เจ้าช้างยักษ์ถูกอำนาจระเบิดริดร้ายเผาลุกลามอยู่นั้นสภาพที่มองเห็นไกลก็ยังพอสังเกตได้ว่าพวกนั้นยังตั้งสติกันไม่ได้เรียบร้อยนักเพราะยังเห็นแล่นกันพลานไปหมด คุณค้ขอจําไว้ด้วยนะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี้เราจะทําเพียงแค่ป้องกันตัวเฉพาะแค่ที่จําเป็นเท่านั้นเราไม่มีเจตนาที่จะเข็นฆ่าทําลายทุกชีวิตที่เราพบสองตัวแม่ลูกนั้นมันหนีเราไปแล้วจะไปหมายจองล้างจองผลาญมาหยุดทําไมปล่อยมันไปเหอะแล้วคนทั้งสองก็เข้ามาถึงกลุ่มของนายจ้าง ซึ่งบัดนี้พากันจับกลุ่มรวมตัวกันอยู่ส่งเสียงตะโกนถามอะไรแซดมาพอเข้าใกล้ซากที่กำลังถูกไฟลุกไหม้ยอยู่นั้นในระยะ30เมตรทั้งระพินและบุญคำก็สัมผัสกัะไอไฟอันร้อนแรงจนแทบพังหักเพราะทิศ ท, ทางอยู่ใต้ลมถึงก็ต้องเดินเปลี่ยนทางพละเลี่ยงอ้อมไปซะอีกทางหนึ่งฤิเดชของระเบิดนาปามยอส่วนของฝ่ายนายจ้างพวกนี้ ทั้งเขาและบุญคำตระหนักซึมซาบอยู่แก่ใจดีแล้วเมื่อคราวที่งัดขึ้นมาใช้ตอนปะทะตะกองทับหมาป่าความร้อนของมันน่ะสูงจัดมากและจะไม่มีวันดับได้จนกว่ามันจะเผาตัวเองจนหมดเชื้อหรือจนกว่าสิ่งที่มันกำลังเผาอยู่นั้นจะละลายเป็นเท่าทานหมดสิ้นไปแม้แต่กระดูกก็จะไม่มีเหลืออยู่ให้เห็นระพิน เราหยุดมันไม่ได้ด้วยลูกปืนอะ่ะคิดก็เลยต้องหยุดมันด้วยระเบิดเพลิงสไตลีตะโกนบอกมาเมื่อเห็นคานใหญ่ยืนหลบควันและไอไฟที่กําลังลุกท่วมอยู่ที่ซากใหญ่โตมโหูลา น, นั้นด้วยดวงตาที่รีลงสีหน้าอาการของเขาบ่งบอกความไม่สบายใจนะักทุกคนของฝ่ายนั้นพลูตรงเข้ามาที่เขาและบุญคําซึ่งเข้ามาสมทบที่หลัง เป็นความผิดของผมและบุญคำเองล่ะครับที่หยุดมันลงไม่ได้ปล่อยให้มันวิ่งเข้ามาใส่พวกคุณเขาพูดเสียงแผ่วต่ำแล้วหันมาสำรวจทุกคนเหมือนจะตรวจว่าอยู่กันครบเปรียบร้อยดีหรือเปล่าเห็นข้าวหน้าของแต่ละคนอยู่ในสภาพปั้นยากที่สุดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยกเว้นจันเกิดและเซย์ซึ่งคนของเขาทั้งสามอยู่ในอาการปกติไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนัก เนื่องจากเจ้าพวกนี้เคยพบช้างดึกดํบันใหญ่ยักษ์ประเภทนี้มาก่อนแล้วพอหันไปสบตาพวกนั้นก็แค่ยิ้มแห้งๆไม่เอ่ยอะไรในขณะนั้นทั้งสิ้นเปลียนแค่ยกไรเฟิลจุด3 7ห้าประจำมือให้เขาดูเป็นเชิงเหมือนจะบอกให้ทราบว่าปืนประจำตัวของแต่ละคนอันมีหน้าที่คุ้มกันจนายจ้างมันแทบจะปราศจากความหมายโดยสิ้นเชิงเมื่อมาประจมหน้ากริย์ มีร่างกายใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ระพินพยัก์น่ารับรู้แล้วหันไปทางคิดบอกเรียบเรียบว่านายก็ทำถูกแล้วละ่ะคิดที่ต้องหยุดมันให้ได้ก่อนที่พวกเราคนใดคนหนึ่งจะได้รับอันตรายไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตามนี่นายไม่ด่าอะไรชันนะตอนนั้นเราก็อยู่กันคนละทิศละทาง ครั้งแรกพวกเราพยายามจะยิงไล่ก่อนนะเป็นจุดไม่ได้จริงๆอะ่ะมันพุ่งกันมาอย่างจูนเจียนที่สุดแล้วรบพินยิ้มให้คิดนิดนึงไม่กล่าวอะไรเพียงแต่เอื้อมมือไปตบแขนนายจีไอเบาๆแล้วประกาศก็ฝฝายในจ้างทุกคนครับอย่าเสียเวลาเลยครับปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละสำรวจข้าวของประจำตัวด้วยแล้วกัน ใครทำอะไรตกหล่นไว้มั่งก็ตามหาซีครบก่อนเมื่อครู่นั้นผมเห็นสับสนอลหม่านกันไปทั่วเลยจากคำพูดของเขาทำให้ฝ่ายนายจ้างทุกคนหันมาสำรวจตัวเองคริสและเบนพบว่าวิทยุประจำตัวตกหล่นหายไปจากตัวจึงขอวิทยุจากด็อกเตอร์สแตนลียกดคีย์เรียกตรวจหาไปตามพื้นบริเวณนั้นแจนสั่งให้พวกลูกหาไปเก็บข้าวของสัมภาระ ที่ทิ้งไว้ในวินาทีฉุกละหุบุญคําเกิดและเสยช่วยกันตรวจนับจำนวนลูกหาบแล้วก็พบว่าหายไปสองคนคืออูถะและพะโต้สอบสวนทวนความกันในบรรดาพวกลูกหาบที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์สองสามคนก็ยืนยันว่าเห็นเจ้ากระเรียงตะเคียนทองทั้งสองเพ่นแนบหายลักไปทางดงข้างหน้าเพราะตกใจขีดสุด ที่เกิดมาไม่เคยเห็นช้างที่ไหนมีลักษณะและขนาดรูปร่างใหญ่ยยโตผิดธรรมชาติของช้างป่าที่เคยเห็นมาก่อนขนาดนั้นกว่าที่เกิดและเกิดและเสยจะรับหน้าที่ออกไปตามตัวโดวยส่งเสียงกูตะโกนเรียกไปพลางแล้วหิ้วเอาเจ้าสองคนที่หน้าตาแบบไม่เป็นผู้เป็นคนกลับคืนมาได้ก็เสียเวลาไปอีกรวมๆยี่สนาทีปรากฏว่าเจ้าสองกะเหรี่ยงหนุ่ม ที่ยอมตัวเป็นลูกหาบมาด้วยเพนไปซุกตัวหลบอยู่ในรูแคบๆระหว่างโขดหินขนาดใหญ่ทางด้านที่จะบ่ายหน้าเข้าดงทึบห่างจากจุดเกิดเหตรุราวร้อยห้าสิบเมตรบุญคําต้องเข้าไปทําหน้าที่ปลูกปลอบขวัญแล้วก็ดา่ามันอยู่ขโมงฉงเฉงและนําตัวเจ้ากะเลียงตะเคียนทองเข้ามาพบพรานใหญ่กระพินเข้ามารูปศีรษะอย่างเวทนานี่ทั้งสองคน่ะ ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะเมื่อมากระชัน้นเขาพูดพร้อมกับยิ้มให้ร่างของอูทะและพระโตอย่างสันเทิมอยู่ทั้งอูทะและพระโตไม่ใช่คนขี้ขลาดแล้วก็ได้สู้กันอันตรายทุกอย่างมาแล้วอย่างกล้าหาญเคียงบา่าเคียงไหลกับพวกเราจําไว้นะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าวิ่งหนีแต่พวกออกไปตามลําพังอย่างเมื่อกี้เพราะถ้ารวมตัวกันอยู่ ในไงเราก็ยังช่วยกันได้แต่ถ้าแตกแยกออกไปแบบนี้เราจะช่วยกันไม่ทันเพราะมองไม่เห็นว่าใครไปอยู่ที่ไหนบ้างคริสติน่าและอิสเบรดูเหมือนจะเข้าใจอะไรดีที่สุดในสภาพของเจ้ากเหรี่ยงทั้งสองต่างเดินตรงเข้ามาทันทีเบเป็นคนส่งกระติกแบรนดีไปให้และบุ้ยบายบอกให้ทั้งสองดื่มอุทาเป็นคนรับไปถือมือสั่นอยู่ พรพินพยักหน้าอนุญาตทั้งสองก็แบ่งกันกรอเข้าปากคนละอึกสองอึกอาการดูจากระปรี่กระเปล่าขึ้นอุทักภ ะ, ะโต้นะ่ช่วยพวกนายรบกองทัพไอ้งาดำกองทัพผีมาแล้วอะไรอะไรก็ไม่กลัวล่ะแต่คราวนี้มันไม่รู้สึกตัวจริงๆอะิะนายเกิดมาก็ไม่เคยเห็นช้างอะไรอ่ะตัวมันใหญ่เท่าภูเขา ง g งอกมาจากปากล่างรพินหัวเราะเบาๆคริสติน่าถามขึ้นว่าเุาว่าอะไรนะระพินเมื่อพรานใหญ่แปลให้ฟังทั้งสองก็หัวเราะอย่างปราณีต่างคนเข้ามาลูบหลังเจ้ากระเหรี่ยงทั้งสองซึ่งตามปกติแล้วก็คุ้นเคยกันดีมาก่อนเพียงแต่พูดภาษากันได้ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่านั้นเว้นแต่จะผ่านล่ามของฝ่ายรพินคนใดคนหนึ่ง นี่จำไว้นะต่อไปนี้ถ้าตกใจจนควบคุมสติไม่ได้หรือว่าทำอะไรไม่ถูกก็อย่าวิ่งหนีไปโดยไม่รู้ทิศรู้ทางแบบนั้นแต่จงวิ่งมาหาฉันหรือจะวิ่งไปหาแมนผมแดงคนนี้ก็ได้นี่วันนี้โชคดีมากนะที่เธอทั้งสองคนไม่ได้วิ่งเตลิดไปไกลนักวิชนั้นเราจะต้องลำบากติดตามหาเธอกันเป็นภาระใหญ่ทีเดียวคริสติน่าบอกมายิ้มยิ้ม โดยพยักหน้าบอกให้รพินถ่ายทอดข้อความให้อุทธดยิ้มแห้งแรงมองดูหน้าแม่ผมทองบอกมาเสียงอ่อยว่าแมนผมทองกำแมงผมแดงใจดีแล้วก็กล้าหาญมากแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาตัวรอดไปได้นานแค่ไหนรพินไม่สนใจที่จะแปลข้อความให้ทั้งสองสาวฟังแต่เมื่อถูกถามมายังคาดคั้น เขาก็บอกสั้นๆแต่เพียงว่าทั้งสองรับทราบและขอขอบคุณแล้วก็ถามมาว่าคุณทั้งสองเป็นไงมั่งละ่ะผมรู้สึกว่าขวัญและกําลังใจจะดีมากนะเบนหัวรอเสียงใสเงอยังเกาะพราวไปตลอดทั้งใบหน้าเราสองคนนะ่ะมันชาชินใช่แล้วละ่ะมิสเตอร์ฮันเตอร์และนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่คุณรักอาสาที่จะหยุดมันไว้ก่อน โดยแม่มันพุ่งมาที่เราแต่คุณก็หยุดมันไม่ได้จนกระทั่งพวกเราทาั้งด้านนี้เกือบเละกันไปทั้งหมดอาจารย์คีดรูอว่าเชิดบุตแล้วก็พวกพรานลูกน้องคุณจะยิงออกไปกี่นัดนะเราจาไม่ได้จาได้แต่เพียงว่าเราสองคนตั้งสวิต M16 ของเราเป็นฟลัวโต้แล้วก็ผลัดกันยิงรัวออไปคนละหนึ่งแมกกาซีนรวมแล้วก็60สนัดไอ้สภาพที่เห็นเหมือนกับเอาเข็มเล็ก ไปทิมแทงตามผิวของมันเท่านั้นโชคดีมากนะที่คิดตัดสินใจหยุดมันด้วยระเบิดเพลิงทำไมงั้นคุณช่วยเราไม่ทันแล้วลนะ่ะพรนใหญ่ก้มศรีรษะรับอย่างสงบครับผมยอมรับว่าผมพลาดในเหตุการณ์ครั้งนี้และมันก็เป็นบทเรียนที่พวกคุณจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยว่าเมื่อวิกฤตการณ์มาถึงจริงๆ จะต้องไม่งอมืองอเท้าคอยผมแต่เพียงอย่างเดียวต้องตัดสินใจช่วยตัวเองซะก่อนอย่างที่ทำไปแล้วตะ ก, กี้นี้แหละครับถูกต้องลแล้วครับแล้วอีกสองตัวฉันเห็นคุณกระบุญคำปล่อยให้แล่นเข้าป่าไปคริสติน่าถามครับระยะมันไกลเกินวิถีกระสุนที่จะหยุดมันได้แล้วล่ะครับ เออแต่ฉันว่าคุณมีเจตนาที่จะปล่อยสองตัวที่เหลือให้รอดไปมากกว่านะคุณอาจจะพลาดครั้งที่สองก็ได้นะในกรณีที่ควรจะถล่มมันลงเส้ให้หมดแต่กลับปล่อยให้มันเข้าไปในดงแบบนั้นซึ่งเท่ากับเปิดโอกาสให้มันไปคอยดักเล่นงานเราได้อีกถ้ามันผกพยาบาทหรืออาฆาดนี่คริสครับถ้าคุณหรือพวกคุณมัวแต่คิดว่า จะต้องฆ่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันขวางหน้าโดยไม่คิดจะหาวิธีที่จะฉลาดกว่าผมว่าคุณไม่มีวันฆ่ามันได้หมดหรอกหรือไม่มีวันที่จะชนะมันไปทุกครั้งได้หรอกครับในหนทางข้างหน้าแต่จะเป็นการดีมากครับที่จิตใจของพวกคุณคิดสู้มากกว่าที่จะมามัวคิดท้อแท้ละหนีต่าวจบ ระพินก็ตบไล่สองกระเียงอาสาสมัครซึ่งบัดนี้ขวัญและกำลังใจกลับคืนมาตามเดิมแล้วบอกให้มันเข้าไปประจำหน้าที่หาบหามรวมกับลูกหาบทั้งหลายตามเดิมและส่งแมกกาซีน M16 แบบ30นัดสองอันที่สองสาวปลดทิ้งหล่นไว้กับพื้นเมื่อตอนประจาหน้ากับเจ้าช่างโบราณและลืมเก็บขึ้นมาซึ่งเขาเดินไปสะดุดเหยียบเข้าและเก็บมาเนบเอไว้ก่อน ส่งคืนไปให้ทั้งสองบอกเสียงเรียบเรียบมาว่าอ่ะบรรจุใช้เต็มตามเดิมครับเนื้อขาวหลังก็อย่ายิงรัวให้เปลืองกระสุนเปล่าละ่ะถ้าเป้าหมายไม่ได้ห่างตัวคุณต่ำกว่าสิบหลาลงมาตั้งเป็นกึ่ออัตโนมัติแต่กระดิกนิ้วให้เร็วโดยยิงทีละนัดแต่ซ้ำเข้าไปให้ตรงจุดสำคัญมันจะได้ผลมากกว่าระหว่างที่คุณทั้งสองคนรัวหูดับตับไห้ ผมก็บุญคำนอนหมอบอยู่ในทิศทางเบื้องหน้าคุณเยื้องไปทางซ้ายหน่อยเดียวได้ยินกระสินได้ยินกระสุนปริวผ่านหัวไปเป็นสายทีเดียวมันไม่มีอะไรจะหน้าทุเรศเท่ากับ ว, ว่าในจ้างยิงไปถูกพรานนำทางตายโดยไม่มีเจตนาเพราะขาดความรอบคอบระมัดระวังนะครับขณะนั้นสแตนลีย์คีดและเชิดบุตรซึ่งเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อย พร้อมที่จะออกเดินได้แล้วก็พากันเดินตรงเข้ามาสมทรบระวินจึงโบกมือเป็นสัญญาณกับพวกลูกหาชี้เป้าหมายเบื้องหน้าให้ตัดเข้าดงแล้วนำเคลื่อนที่ต่อไปทันทีอย่างง่ายๆโดยไม่เ อ, อ่ยอะไรอีกทั้งสิน้นทิ้งซาดช้างโบราณให้ถูกไฟลุกเผาผลาญต่อไปตรงตำแหน่งนั้น